ฐานิยะบูชา2552คนไทยด้อยพัฒนาตัวเองประชาชนคนไทยเราเนี่ยยังด้อยการพัฒนาตัวเองมันไปเที่ยวพัฒนาแต่คนอื่น แม้แต่ครูอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆก็ไปพัฒนาแต่เด็กนักเรียนแต่ตัวเองไม่พัฒนาปัญหาอย่างเนี้ยจึงแก้ไม่ตกผู้ใหญ่ต้องแก้ตัวปรับปรุงตัวให้เด็กมันดูเอาเป็นตัวอย่างทีนี้เราสอนตลักวิชาแต่ตัวอย่างให้ดูมันไม่มีปัจจุบันบ้านเมืองเราใฝ่ฝันหาประชาธิปไตยในเมื่อนักการเมืองหันหลังให้ศีลห้าจ้างอีกก็ไม่เจอ ประชาธิปไตยเราทุกคนเป็นวงวานกันทั้งสิ้นพระองค์หนึ่งไปพบยายแก่เศรษฐีนีเข้าไปทักว่าเราเป็นแม่เป็นลูกกันมาหลายภพหลายชาติแล้วมาชาติเนี้ยตามหายโยแม่อยู่ตั้งสิบปี เพิ่งจะมาเจอเดี๋ยวนี้เองแค่เนี่ยมันก็ฟ้องแล้วชาติก่อนชาติไหนยังรู้ได้ชาตินี้ใช้เวลาตามหาตั้งสิบปีโกหกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงต้องประสบกับความวิบัติพระพุทธเจ้าเคยเทศไว้สัตว์ในโลกนี้ที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นญาติเป็นวงวานกันเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วที่เราเกิดมานี่กว่าจะได้มาพบศาสนาของพระพุทธเจ้าช่วงระยะเวลาระหว่างศาสนาต่อศาสนานี่หลังจากห้าพันปีล่วงไปแล้วคนจะทำบาปทำกรรมอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเหลืออายุไข5ห้าปีไฟประไลกันจะไหม้โลกน้ำจะท่วมโลกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพากันตายเกลื่อนกลาด และยังเหลือมนุษย์ที่เดนตายอยู่ไม่กี่คนที่ไปหลบซ่อนอยู่ในหุบเขาในป่าในดงทีนี้มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นพอมองเห็นว่าสัตว์โลกมันชิบหายวายป่วงเพราะการทำบาปทำกรรมเขาจะได้สำนึกเขาจะสร้างความดีขึ้นมาอายุไข5ห้าปีเลื่อนขึ้นมาสิบปียี่สิบปีส0สิ100ปีร้อยปีพันปี1มื่นปีแสนปี กว่ามนุษย์จะเจริญขึ้นไปถึงแสนปีนี่ร่างจะใหญ่ขึ้นมันไม่รู้กี่กับกี่กันพอไปถึงแสนปีมนุษย์เกิดความประมาทพากันทำบาปทำกรรมอายุก็ลดน้อยลงมาลงมาเหลืออยู่แ0ดหมื่นปีพระศีริอานจึงจะมาตรัสรู้นี่ระยะการพระพุทธเจ้าแต่และองค์เนี่ยมันนานแค่ไหนกับหนึ่งมีคากล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า ถึงวันสิบห้าค่ำเทวดาเอาผ้าละเอียดอ่อนเหมือนสำลีมาปัดยอดเขาพระสูเมนจนกระทั่งมันราบลงเสมอกับพื้นดินนั่นแหละคือกับหนึ่ง